ด้านการสั่งสอนเผยแผ่ด้านการก่อสร้างปฏิสังขรณ์และด้านการสาธารณสงเคราะห์